ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคปรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นน <c oughs> าโอกาสนี้เป็นโอกาสสาคัญที่เราทุกคนทุกลวงใจจะต้องตั้งใจนั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสงัดเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตานลกภาวนาพุทโธรโลมจิตใจเข้าไปภายในคำวันนั่งสมาธิคือสงบกาย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 ดูสิ่งปฏิกูลสโสโครกภายในร่างกายนี่อยู่ก็เป็นอบายทาวนาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตรู้แจ้งรู้จริงเจตใจนี้มันจะเลิกละปล่อยวางอารมณ์กิเลสตัณหาทางหลายได้เพราะมารู้แจ้งรู้จริงในโลกประขัน์อันนี้ จิตใจนี่มันหลง ล, หลูกร่างกายของตัวเองคือจิตมันเข้าใจว่าก้อนธาตุดินหนังหุ้มอยู่นี่เป็นตัวเราเป็นของเราทั้งๆที่มันไม่ได้เป็นของใครจิตหลงอันนี้แหละมันหลงผิดเข้าใจว่าเป็นตัวของเรา เมื่อเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวของเราแล้วที่นี้มันก็วุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นในรูปประขัมมันก็เข้าใจว่าเราเป็นทุกข์เพราะตัวเราเจ็ดตัวเราไข้ตัวเราไม่สบายมันเข้ามายึดมาถือมันยึดถือมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ จนบัดนี้เวลานี้มันยึดมั่นถือมั่นอยู่แค่ไม่ออกแค่ไม่หลุดหลุดไม่หมดหลุดไม่สิ้นจึงจำเป็นต้องปฏบบิบัติบูชาภาวนาอยู่ทุกวันคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบทเราจะต้องภาวนาไปจนถึงวันตาย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 ยกขึ้นมาเป็นอุบายภาวนานั้นจนให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ให้ตลอดลอดฝันรู้ให้ทั่วถึงจิตใจนั้นจึงจะยอมสงบตั้งมั่นด้คือไม่ให้เทียงตะวันเห็นผิวเผินดูทางในในหนังเนื้อเข้าไป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 เมื่อตายแล้วก็ถมแผ่นดินไม่ไปไหนเถาไฟก็ลงไปสู่ดินไม่มีใครเถาทิ้งไว้นานเข้ามันก็ลงเป็นแผ่นดินภาวน า, นาดูนึกดูจเจริญดูทําใจให้สงบระงับจึงจะเข้าใจ ทำมอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจตลอดกาลคือจิตไม่ยอมรับรู้รับเห็นที่ว่าไม่ใช่ของหลักสมบัติที่มนุษย์หลงโยมันลองเก็นแผ่นดินเมื่อไม่ไปสู่แผ่นดินมันไปสู่ที่ไหนคนตายแล้วมันขึ้นไปอยู่บนฟ้าบนอากาศหรือ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 อยู่บนแผ่นดินเกิดบนแผ่นดินเก็บไข้ได้พยาติอยู่บนแผ่นดินตายแล้วก็เป็นดินยังไม่ตายมันก็เป็นธาตุดินอยู่แล้วธาตุดินน้ำไฟลมมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แม่เจ้าตัวจะยังไม่กําหนดพี่เจรนามัวเมาไปตามอำนาจกิเลก อยู่ตลอดการก็ตามแต่ธาตุดินน้ำไฟลมกายวาจาจิตของบุคคลเรานะ่มันก็อยู่บนแผ่นดินธาตุร่างกายที่เคลื่อนไหวไปมากดดินดินน้ำไฟลมจองดูจองโลเสียในขณะนี้เลยก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มันแจ้งอก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 เรานึกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธในใจมันก็ได้ยินอยู่ในใจนั่นแหละถ้าใจไม่คิดไปทางอื่นถ้าจิตไม่รวมไม่สังวรระวังมันคิดพุ่งซ่านไปที่อื่นนึกภาวนาอยู่ที่นี้มันก็ไม่อยู่ที่นี่มันไปที่ไหนไม่รู้เพราะมันขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญา อาดยิฏชาในทางพุทธศาสนาคือไม่เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติไม่เข้าอยู่ในการคือไม่ดูกายไม่พิจารณากายของตัวเองพิจารณาดูเห็นได้ในอนอกกายนอกอกไปเท่าไรเท่าไรมันรู้เห็นแต่ความรู้เห็นเหล่านั้น มันรู้เห็นไปตามอำ น, นาจทีเลสราคะราคะตัณหามันทาให้ดิ้นลนวุ่นวายอยู่อย่างนั้นเองราคะกีนาไฟคือราคะมันไหม้หัวใจโลกอยู่ตลอดกาลไฟโทสัมมันไหม้อยู่ตลอดกาล เพราะไม่ภาวานาดับไม่ภาวานาละในใจมันก็โลกงายอยู่ไฟโมหะอวิชชาปัญหามันก็ไม่อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยาบทไม่อยู่ในใจที่ไม่เลิกง่ายละราคะโทสะโมหะให้หมดให้ไสให้สะอาดนั่นเอง เป็นไฟเป็นของร้อนพระพุทธิเจา้าพระองค์ทรงตรัสว่าร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยลาคกินาไฟคือลาคะร้อนด้วยโทสกินาไฟคือโทสะร้อนด้วยโมหกีนาไฟคือโมหะมันร้อนอยู่ในตัวร้อนอยู่ในใจไม่เย็นไม่สาบาย ไม่เข้าถึงพุทธอภุดะพุทธอระพุทธเจ้าผู้รู้โยนตัวในใจนั่นแหละเมื่อเข้าถึงตั้งนั่นโยนในจิตใจดวงพุทธานี้สิ่งอื่นใดนอกจา ก, กจิตใจพุทธะนี้ออกไปไม่เที่ยงเป็นกองทุกข์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 ภาวนาถอนหน้าถอนตาถอนตัวถอนจนถอนตัวูกของูกตัวข่าของข่าตัวเราของเราออกไปพุทธทอจิตเป็นหนึ่งพุทธทอจิตลู่แก้พุทธทอจิตลู่จริงพุทธทออยู่ในตัวในใจไม่ใช่พุทธทอนอกตายนอกใจไปพุทธทอไม่ต้องดูที่อื่น พุทธดูสายให้ทั่วถึงพุทธดูวาจาที่ตัวเองพดูพดพุทธดูใจที่จิตใจมันคิดคิดภาวนาพุทธในใจหรือไม่มันคิดอิจฉาพยาบาทอาขาบจองเวียนแกใครอยู่เดี๋ยวก็ฟลอดให้คนนั้นตัดตัวนั้น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 แปดน้ำเหลืองไหลน้ำหนองออกมามันจะมีกลิ่นเหม็นไม่ได้กลิ่นหอมต่างหากว่าถ้าเวลามันเปื่อยแลลอย่างนั้นแหละเราจะไปนั่งอ <c oughs> ยู่ใกล้ก็ไม่ได้มันเหม็นสาบเหม็นข่าวเหม็นไม่เข้าทา่า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 ต่อไปไม่มีที่สุดที่สิ้นตายแล้วก็หลงไปตามความหลงอ่ะนะความหลงอ่ะนะแล้วก็พามาเกิดอีกเกิดมาอีกก็แกชราเจ็บไข้ได้ป่วยดิ้นหลนวุ่นวายไปเหมือนกับเราเกิดมาพบนี่ชาตนี่เหมือนกันหมดผลที่สดแกหรือไม่แกเด็กก็ตามถึงเวลาตาย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 ประกอบกระทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแต่ ว, ว่าทุกลมหายใจลมหายใจยังมีอยู่กับภาวนาอยู่ภาวนาให้ได้อย่างลมหายใจเตือนใจดวงนี้อยาได้ประมาตเตือนใจให้รู้สึกว่าความตายนั้น มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามามันม่วนเข้าไปเรื่อยๆมันใกล้เข้าไปทุกเวลาอยากเข้าใจว่าตนเองอยู่ห่างไกลเพราะว่ามารณะไทยคือความตายนะั้นมันไม่มีต้นมีต่อมันจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่บุญกุศลอย่างรักษาไว้ไม่ให้ตาย จะได้ปฏิบัติบูบชาภาวนาต่อไปอีกถ้าบุญกุศลหมดเมื่อใดเวลาใดตายแง่แง่นื่อยหละใจอวดดีไม่ได้ต้องรีบทำรีบปฏิบัติเอาให้มันลงหลักปฏิบัตินั่งแบบไหนก็ภาวนาในใจได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาในใจได้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 หรือตายอุปเทวเหตุขึ้นมาแล่ะมันจะทําได้อย่างไงเพราะมันอ้างการอ้างเวลาอยู่เช้าก็ว่าเช้านักไม่ภาวนาตายก็ว่าร้อนแล้วไม่ภาวนากลางคืนก็กลางคืนไม่ภาวนากลางวันก็กลางวันไม่ภาวนา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 จะต้องบริกรรมภาวนาพิจารณากายอันเป็นโลกประขันยับยับมันเห็นแต่เบื้องต้นมาเกิดทมกลางภาวะเป็นอยู่บันปลายคือว่าตายลืมไม่ได้ตายเพราะมันจะตายอยู่วันยังคำ มันรอตายอยู่คืนยังลงตายมันขยับเข้ามาใกล้ทุกเวลาร่างกายสังขาร น, นี่พันเตียอุปมาเหมือนหม้อดินเขาเอาดินมาปั้นเป็นหม้อเป็นไหหม้อดินที่ปั้นขึ้นมาใหญ่เล็กหนาบางประการใดก็าตาม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 อายุไม่ถึงร้อยปีตายแล้วหากใครอายุยืนสักร้อยปีเดี๋ยวก็ัได้ยินว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่แหละพระองค์นั่นตายไปเนนองค์นั่นตายไปแม่ขาวนางชีคนนั่นตายไปแม่ดำแม่ด่างตายไปถ้าผู้ยังไม่ตายมัเกิดู้เห็น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 จึงให้ชื่อว่าพาลาฮาเวปันจักขันธาขันทังห้าเป็นธาละอันหนักคือกายวาจาจิตของคนเราทุกคนนี่แหละขันขันก้อนนี้กองนี้ก้อนนี่ละ่ะมันเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่สุขที่เราว่าสุขสบายนั้นมันน้อยเดียวนิดเดียวเท่านั้น ทุกมันเต็มไปหมดนั่งเป็นทุกในเวลานะั่งกินเป็นทุกในเวลากินสแสวงหามาเป็นทุกในการสแสวงมาหามาประมาทไม่ได้จะไปเข้าใจว่าตัวเองสุขสบายมันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ตายภายในร้อยปีแ มันเลยไปได้ที่ไหนเลยไปก็ไปตายยังไม่ถึงร้อยปีก็ตายเด็กก็ตายนมก็ตายแก่ทาาก็ตายพระก็ตายได้เนร์นก็ตายได้ผ้ า, าวเหียวนางชีใครก็ตายเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนเวลาถึงเวลาตายมันไม่ใช่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 หรือรู้ว่าเหตุทยต่างๆมาจะถึงตัวของเราเป็นวันตายขนาดวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ต่อให้นอนอยู่มันก็ไม่หลับหล้วเพราะมันจะตายเหตุการณ์แห่งความตายมันเป็นร้อนเป็นของร้อนของไม่ทำให้ภาวนานะจริงๆแลว ก็ทุกแท่ตายนั่นเองอ่ะจึงให้พากันเรียบเร่งลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าไปมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสไม่ว่ากิเลสราคะโสะโมหะกิเลสอันใดก็ตามมันเป็นของร้อนมันเป็นไฟ ดูแต่ไฟผ่านรอกใครทั้งเถอไปเหยียดย่ำไฟไฟก็ไม่เอาไม่เอาถึงตายก็ได้ไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะจิตที่มายึดไว้ถือไว้ไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางนั่ละมันไหม้หัวใจมันไหม้ทางกายด้วย ไหมทางวาจาด้วยมีอะไรมันไม่หมดละไฟไฟภายในมันไม่ข้ามพบข้ามชาตายแล้วมันก็กลับไปไหมต่อไปอีกไฟราคะโทสะโมหะท่านเจึงงห้ชื่อว่าไฟหม้อนรลลกมันไหมทุกคนไหมทุกหัวใจ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 ไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ใช่โย่ภายนอกมันโย่ภายในโย่ภายในอยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในหนังหุ้มนูก้กอนทุกกองทุกของตนอยู่ทุกเวลาวันไหนเวลาใดมันจะเข้าถึงความแตกความทําลายเราไม่รู้เผื่อรู้แล้วมันเอาไม่ไหวละสู้ไม่ลนะ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 ไม่ว่าเท้าสายบ่ายคำ่ำกลางคืนกลางวันก็ภาวนาอยู่ในใจที่กจรนาคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนไข้คนพับทากจากกัรล่องให้น้ำตาไหลคนตายร่วมแล้วแต่เป็นธรรมยิ่งในสัตธุทุสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทางนั้นให้น้อมนึกลำลึกโยในตัวในใจให้ได้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 ดังสแสดงนาก็ต้องกวนด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนียะถาวิลิวะหาปูลาภิลิปุเรนจิตาขะหลังเยวะเมวะอิโตทินังเาตานังมุปกับปฏิอิจิตังปฏิตังทุมหังจิตตเมวชะมิสตะตุสัพเพปูเรนตุสังกภา จันทโทปันนาละโตยัคามิโชติระโต ย, ยัตัพสติโยวิวัตสันตุสัพพโลคโควินัสสตุมาเตปวัตตะวันตระโยจุกิธิคาโยโกภาะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปะจายิโรจ ต, ตาโรธรรมาวะทันติ อายุวันโอสุขังตาลัง